ใ, ในโอกาสที่หลงพ่อคำเขียนสุวรรณูได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมภาควิสาขาบูชาคือยากจะให้ญาติโยมได้ประโยชน์จากการปฏิบัติในภาคนี้ให้มากๆจรจึงขอ ให้เป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่ได้อยู่ในรายการรายการของเราก็คือหนึ่งทุ่มครึ่งหลังจากธรรมวัตรเสียเกียร ต, ตอยแล้วเพื่อให้ญาติโยมได้ประโยชน์ในโอกาสที่หลวงพ่อได้มีเนตตาได้มาเยี่ยมโดยเฉพาะคือได้มาเยี่ยมญาติโยมสาธิชน นวัตธรรมารามแห่งนี้ก็ผมในนามของผู้รักษาการกขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาที่หุวพ่อคำเขียนพร้อมเลยทานเปศาน้าได้มาให้ธรรมะตื่ิมาเยี่ยมกับผมในวาระนี้ไว้ในโอกาสนี้เพื่อไม่เสียเวลาก็ข อ, อนิมน หลวงพ่อได้มีตาบรรยายธรรมะเท่าที่เวลาที่มีอยู่นี้ให้ญาติโยมได้รับฟังสืบต่อไปกราบกรือว่าท่านเจ้าคุณราชาชรย์เคารพอย่างยิ่ง การเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็ <c oughs> พูดสู่กันฟังอีกเวาลาหนึ่งจึงไม่มีโอกาสมาในช่วงวิสาขะบูชาในปี2540ที่วัดธรรมรามที่นี่ช่ให ข้อกับปรรยากาศในวันวิชาขาก็าจะได้ที่นำเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สอนพวกเราแล้วพวกเราเอามาทำเอามาประกอบ มันเกิดขึ้นที่ตัวเราสิ่งที่พระพุทธองค์ได้กระทำเราก็เอามาทำน้อมเอามาทำที่พระองค์ทำเอามาไว้ในเราเห็นสติปัฏฐานตามหลักก็ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายนี่ไม่ได้พูดให้จำ โทดให้ทาแล้วก็ให้มีจริงๆไม่ใช่จำเอาสัจธรรมไม่จำเอาไม่ได้ต้องสัมผัสเอาเอากายสัมผัสพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ก็มีกายเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าสติก็มีเหมือนกัน ให้มีสติกำหนดที่กายส่วนใดก็ได้จะเป็นลมหายใจก็ได้จะเป็นการยืนเดินนั่งนอนก็ได้หรือตามแบบของหลวงพ่อเทียนที่ท่านเลยะมาสอนเป็นแบบเคลื่อนไหวก็ยิ่งดีเพราะมีเจตนาเข้าไปช่วยเจตนาไปสนับสนุนเป็นแรงหนึ่ง ทำให้สติงอกงามได้ไวเห็นพริกมือมือนี่ก็มีจริงๆริสติก็มีจริงๆเวลาพริกมือก็รู้จริงจริงแล้วก็เจตนาพลิกลูกของมือนี่ก็พกลิกจริงจริงรู้จริงๆริการใส่ใจที่จะรู้อยู่ที่มือเนี่ย ยกขึ้นก็ลูดจริงๆมือนี่ก็ยกจริงๆมือนี่ก็เป็นกายเนี่ยของจริงไปได้คิดไม่ได้วาดโนภาพไม่ได้จินตนาการเป็นของที่มีอยู่จริงๆเลื่อนไหวมากรลูดจริงๆเชียงมือข้างซ้ายกรลูดจริงๆยกขึ้นกรลูดกายแท้ๆ มาเนคกลลูกิริยาที่ธรรมนียรก็มีอยู่เ่อนวมาเน่ก็ลูอยู่ชอบว้ก็ัลลูอยู่วางลองนี่คิริยาที่วางก็มีอยู่จริงรู้จริงจริงรู้ไปพร้อมกันความมือกับความจริงๆริงเป็นปัจจุบันรู้รู้รู้นี่ยของจริงเนี่ยตาก็เห็นได้ สัมผัสได้แต่รู้อยู่ที่มือนี่มันก็ไม่ได้หลงเมื่อมันหลงไปก็กลับมาที่มืออย่งก็รู้ได้เห็นกายมีสติเห็นกายไม่ใช่ตาเห็นเห็นเรามือไว้ข้างหลังมือก็อยู่ข้างหลังจริงๆรู้รำดูสิโยมเอามือ ไ, ไว้ข้างหลัง รู้ไหมมืออยู่ข้างหลังไหมกำมือดูซิกำไหมออ ะ, อะไรมันเห็นว่ามือมันกำอย่างนั้นนะใจสติเหมันเห็นะว่าจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็เห็ น, นกายรู้นะีมือวางไว้ไนี่ยรู้อยู่นะี่ยนี่เรียกว่ากายมีสติเห็นกายอย่างนี้เรียกว่ากายญาุปสัสนาสติปัฏฐาน แสนที่เราจะเห็นกายนะเป็นหลักมันอยู่ตรงนี้หมายเลขหนึ่งขึ้นต้นเลยกายานุปจนาสติปัฏฐานเนี่ยข้อแรกรองให้ตั้งอยู่ตรงนี้ต่อไปมันจะเห็นเวทนาเวทนาไม่ต้องไปหาดูมันอะมันเกิดขึ้นมาที่ตายเกิดขึ้นมาที่ใจเวทนาไม่ต้องไปค้นหา ไม่ได้ไม่ได้มีหลักที่จะไปดูมันแต่มันเกิดขึ้นมาเบรทานาก็คือการปวดการเมือ่อยการนั่งนานๆเมือม่อยขาเมื่อยตัวเมือ่อยปิดใจก็มีเป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีที่มันเกิดขึ้นมามันสวนหน้ามันสวนทางเมื่อเราเดินทาง ไม่ใช่เราเดินคนเดียวมีอันอื่นที่มาสวนหน้าเราก็มีแล้วเราขับรถจากวัดธรรมารามไปบ้านไม่ใช่เราเดินคนเดียวมีรถคันอื่นมาสวนไปแต่เราไม่ต้องหลงเราก็ต้องตั้งใจที่จะเดินไปตรงนี้รถตัน ด, ดื่นสวนไปก็รู้อยู่รู้หลบรู้อยู่เกี่ยวข้องกับรถเกี่ยวข้องกับรถอะไรที่มันสวนไปเราก็รู้อยู่แต่เราก็ยืนอยู่ตรงนี้ เวทนามันจะชวนให้เราหลงผู้ที่ไม่มีสติก็หลงไปกับเวทนาแต่ผู้มีสติเวทนาจะทำให้รู้เวทนาจะทำให้รู้สึกแต่เรามีสติแต่ถ้าไม่มีสติเวทนาทำให้หลงหมดตัวไปกับเวทนาจนเป็นผู้เป็นเวทนา เวทนาเอาชีวิตของเราไปหมดแต่ถ้าเรามีสติเห็นสติไปเกี่ยวข้องกับเวทนาก็คือสติสติเกี่ยวข้องกับกายก็คือสติสติเกี่ยวข้องกับความคิดก็คือสติความคิดมันก็มีบางทีแต่ที่เรารูอยู่ที่กายอย่างเดียวมันเกิดคิดขึ้นมา เคยคิดไหมเจ้มันเนี่ยทำกียฟอยู่ทั้งวันเห็นไหมมันคิดไหมคิดนะตั้งใจคิดหรือว่ามันรักคิดขึ้นมาเองะตั้งใจคิดอะไรไหมมันคิดขึ้นมาเองมันคิดขึ้นมาของมันเองไม่ได้ไปหาเรื่องให้มันคิดหรอกแต่ว่ามันคิดขึ้นมาเองพุทธสวนหน้าไป เรนั่งสร้างจังหวะอยู่ดีๆเลยเก็คิดขึ้นมาบางทีเราไปทําคำตามความคิดไหมเข็นมันคิดจะนั่งอ่ะมันคิดจะนั่งมันนั่งทันทีความคิดมันสั่งให้นั่งมันนั่งทันทีอ่านั่งอยู่สร้างจังหวาไปบางิดมันสั่งให้ลุกมัลุกทันทีก็เลยความคิดก็เลยเป็นใหญ่คิดที่เกลียดก็หยุดทําความเพียร คิดขยันก็ลุกขึ้นมาทำอันทันไม่ใช่ลักษณะของสติมันคิดก็รู้โดยคิดทําให้รู้สึกตัวแต่ตัวคิดทําให้หลง ก, ก็ได้เหมือนกันนะเป็นยังไงจุดนี้ตัวคิดทําให้หลงหรือว่าตัวคิดทําให้รู้แต่ตัวคิดทําให้เรารู้สึกตัวอันนี้ถูกแค่ไดก็คือสติเหมือนเดิม แล้วก็กลับมามันคิดอะไรก็กลับมาตรงนี้จะไปถือสาหาเรื่องกับความคิดมันคิดเกลียดเห็นมันรู้มันปวดเห็นมันมันเหน็ดเหนื่อยเห็นมันมันคิดจะลุกก็มีสติมันคิดจะลุกเห็นมันคิดไม่ใช่เป็นผู้คิดนี่คุณลักษณะของสติปัฏฐานมันคิดจะลุกเห็นมันคิด ถ้าจะลุกก็ลุกโดยมีสติถ้าจะนั่งก็นั่งโดยมีสติให้สติแม้นว่ามันคิดก่อนก็ตามแต่ให้สติเป็นผู้สั่งอยาให้ความคิดเป็นผู้สั่งแต่ดีมันคิดขึ้นมาจะนั่งมันทำให้เรามีสติจะพานมากมันคิดที่จะให้ลุก <c oughs> เรามีสติพามันลุกอะไรก็ตามให้สตินำไปแม้นว่ามันคิดก่อนก็ตามแต่เราพยายามที่จะให้สตินำไปอยากให้ความคิดเป็นใหญ่พยายามให้สติเป็นใหญ่ทุกอย่างในร่างกายจิตใจของเราสติเข้าไปกากับได้ทุกเรื่อง ไม่ได้เลือกไม่เหมือนกับกายกายเนี่ถ้าร้อนก็ต้องอาบน้าถ้าหนาวก็ต้องห่มผ้าแต่ว่าการที่จะเป็นนักปฏิบัติต้องเป็นสติถ้าร้อนเห็นมันร้อนถ้าหนาวเห็นมันหนาวถ้าหิวเห็นมันหิวถ้าเบือเเเบ่อเห็นมันเบือ่อ ถ้าสุขเห็นมันสุขถ้าทุกข์เห็นมันทุกข์ถ้าเป็นผู้เห็นเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเห็นจุดนี้เป็นจุดที่จะทำให้เกิดการพบเห็นขึ้นมันจะชัดขึ้นอย่างถ้าเราเห็นเวทนาบางทีเราเวทนาเนี่ยมัน ไม่ทําให้เราเห็นก็ได้ทาให้เราเข้าไปเป็นความคิดทําให้เราเข้าไปคิดทําที่เป็นอารมณ์เกิดขึ้นกับใจทําให้เราเข้าไปเป็นกับปาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจแต่ถ้าเรามีสติย่มันจะเข้าไปเห็นพอเข้าไปเห็นลํามันเกิดเกิ ด, กดภาวะ หลุดพน้นอยู่ในตัวมันเองภาวาที่เข้าไปเห็นเห็นความคิดบ่อยๆที่แรกเห็นทีหนึ่งก็ยังไม่กระจ่างแง่งเห็นไหลคลั่งไหลหนไปเหมือนกับว่ามันถูกหลอกเห็นทีแรกก็เหมือนว่ามันไม่มีอะไรความคิดนะ่ะธรรมดาธรรมดา ไปเห็นหลายครั้งหลายหนก็ไปโอ้ตัวคิดเนี่ยมันก็เป็นมายาสาธัยนึงมันมันเป็นถ้าจะเรียกว่าขโมยถ้าเรียกว่าอ่าโจรถ้าเรียกจะเรียกว่าสังขารถ้าจะเรียกว่าสมุทยัยที่มันจะก่อตั้งอะไรขึ้นมันก็เกิดตรงนี้เห็นหลายครั้งเขามันก็จะคุ้นเคยมันจะลูกแก้งในภาวะที่มันคิด ถ้าเห็นบ่อยๆแต่ถ้าเป็นไ ม, ไม่ไม่เกิดไม่แจ้งนะจะทำให้หลงเข้าไปเรื่อยๆเพราะยังวิธีปฏิบัติมันจะได้บทเรียนทุกอย่างถ้าเรามีสติแต่ถ้าไม่มีสติจะทำให้มืดหรือหลงได้ง่าย เพราะกายก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้หลงกว่านี้เททนาก็เป็นเรื่องที่ทำให้หลงกว่านี้ควาคิดเป็นเรื่องอีกทำให้เกิดความหลงก็่นี้อารมณ์หรือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเป็นกุศลบ้างเป็นเรากุศลบ้างเกิดทำให้เกิดความหลงกว่านี้ขอให้เราแยกเนี่ยตรงเนี้ยให้เราพยายามที่จะมีสติเข้าไปกำกับ เอาสติไว้เป็นหลักช่ก่อนก้มหน้าก้มตาให้รู้สึกไว้ก่อนอย่าให้มันหลุดไปง่ายๆอย่าให้มันหลุดเข้าไปเป็นง่ายๆให้มันรู้สึกไว้ก่อนหลักของเราต้องมีอยู่เป็นกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันช่วยได้แต่มันสมมติว่าความง่วงความง่วงก็ทำให้หลง แต่ถ้าเราไม่มีสติถ้าเรามีสติก็ควมง่วงกะทำให้เราได้บทเรียนจากมันได้ประสบการณ์จากมันเห็นมันง่วงพอเห็นมันง่วงเราเกี่ยวข้องกับความง่วงถูกเราทําไงที่เกี่ยวข้องกับความง่วงเราอาจจะเปลี่ยนเรือ บ, บทอาจจะลุกไม่ได้เข้าไปอยู่กับมันเราเกี่ยวข้องกับมันถูกต้องตั้งแต่ที่แรกมันก็ทำอะไรให้เราไม่ได้ ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกมันก็ยิ่งเป็นภาระเราก็ต้องแพ้มันทุกข้างไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมันจะมีช่องทางมันไม่จนถ้าเรามีสติมันจะไม่จนต่ออาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจไหนไม่จนมีแต่ได้บทเรียนเรื่อยไป ตัวง่วงก็ฉลาดเพราะเห็นมันง่วงความลังเลสงสัยอะไรต่างๆที่มันจะชวนให้หลงกลายมาเป็นบทเรียนทั้งการเห็นอย่างนี้เกิดการพบเห็นอย่างนี้มันฉลาดอย่างพระพุทธองค์เคยตัดกันไว้พวกเราก็เคยได้เล่าได้เรียน กายานุปัสนาสติปฐานมีสติเห็นกายถ้ามีสติมันก็สักแต่ว่าแล้วมันก็สักแตว่ตว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาแต่ถ้าไม่มีสติมันไม่ใช่สักแต่ว่ามันก็เข้าไปเป็นกับมันกายก็ทำให้หลงเวทนาก็ทำให้หลงจิตก็ทำให้หลง ความง่วงเหงาห่อนอนก็ทําให้หลงลองอา่าตั้งให้ถูกลองดูถ้าทําถูกแล้วมันคิดว่ามันไม่ยากไม่ว่าถึ่งใดถ้าทําถูกมันก็บอกถ้าผิดมันบอกถูกมันบอกธรรมชาตินี่แหละมันบอกธรรมชาติสอนนี่ดีกว่าพระพุทธเจ้าสอน เพในตัวเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่ความผิดมันก็บอกความถูกมันก็บอกสัมผัสกับตัวรู้สึกสัมผัสกับตัวสติเป็นอย่างไรสัมผัสกับตัวหลงเป็นอย่างไรให้สัมผัสจริงๆความหลงก็เป็นสัจธรรมความรู้สึกก็เป็นสัจธรรมแต่เราก็ให้มัน้าพลาดไม่จริง ไม่ชิมดูจริงๆเช่นเวลาใดมันหลงกลับมารู้ลองดูมันหลงคิดไปเรื่องโน่นเราไม่กลับมามารู้สึ ก, กมันมีเรื่องอะไรมากมายไหมความหลงมันใหญ่โตไหมแต่ถ้าเรากลับมารู้สึก ม, มันก็ไม่ไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรมันก็หายไปทันทีภาวะที่มันหลง แต่ถ้าเราไม่รู้มก็เรื่องมก็ใหญ่ไปลมากบางทีก็ความว่วงอย่างเดียวก็ยอมแพ้มนแล้วเลิกการทำความเพียรทำให้เกิดอาการต่างๆขึ้นไปมากมายแต่ถ้าเรามารู้สึกมันก็ไม่มีอะไรให้เราลองตั้งมีหลัก ตั้งไว้ตรงนี้ลองดูเราก็เรียกวาย่างที่เราเรียกว่ากรรมฐานนยที่ตั้งแห่งการกระทยที่ตั้งแห่งการกระทำมันมีที่ตั้งมีการกระทำอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนเป็นกายเคลื่อนไหวก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวของกายเอาส่วนใดส่วนหนึ่ง ในรู้อยู่ขยันรู้ขยันรู้อยู่เสมอพยายามที่จะรู้อยู่เสมอการขยันรู้เรียกว่าภาวนาต่างการใส่ใจที่จะรู้อยู่เสมอเรียกว่าความเพียรขยันรู้อยู่เสมอเรียกว่าภาวนาการใส่ใจที่จะรู้อยู่เสมอเรียกว่าความเพียร มันสมดุลกันไหมความขยันรูนะ้กับความขยันหลงนะชั่วโมงหนึ่งเช่นเราเดินชั่วโมงหนึ่งเราเดินอยู่ชั่วโมงหนึ่งประมาณสี่พันเก้าถ้าเดินพอดีพอดีนะเดินพอดีพอ ด, นะ ด, พอ ด, พอดีไม่ช้าเกินไปไม่ไวเกินไปชั่วโมงหนึ่งจะเดินได้ประมาณสี่พันเก้ารู้ทุกเก้าไหม ถ้าขยันพยายามที่จะลู่ทุกเก้าน่าก็เรียกว่าภาวนาทำให้มากความลู้มันมากขึ้นลู้สี่พันเก้าบางทีอาจจะลู่สักสามพันเก้าหลงไปสักหนึ่งพันเก้านั่งจกมือช่างจังว่าววินาทีหนึ่งได้ตั้งสิบสี่ลู้ เห็นึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหกลูกเจ็ดลูกแปดลูกเก้าลูกสิบลูกสิบเอ็ดลูกสิบสองลูกสิบสามลูกสิบสี่ลูกประมาณนาทีหนั่งอย่างอย่างอย่างอย่างมากนะได้ตั้งสิบสี่ลูก ลู่เอาลู่เอาลู่เอามากลู่เรียกว่ามหาสติเนี่ยหน้าที่เราคือทําตัวนี้ไม่ต้องไปคิดหาเหตุหาผลไม่ต้องไปเอาผิดเอาถูกให้ลู่หรือไปก่อนกรรมตัวนี้กรรมตัวนี้จะลิขิตไปเองตัวลู่ตัวนี้จะลิขิตชีวิตของเราไปเองจะจัดสรรชีวิตไปเอง ขอให้เราตั้งอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ใช่เหตุใช่ผลบางคนพอมาปฏิบัติเอาความชอบป้าโน้อยานี้ไม่ชอบทำอย่างนี้ดีกว่าเหตุผลเอามาสร้างเราอ น, นันต์ไม่ไม่ใช่กรรมไม่ต้องเอาเหตุเอาผลมาแย่ไม่ต้องไปเอาความผิดความถูกมาตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินเราความผิดความถูกอย่าเพิ่งตัดสินเราความชอบความไม่ชอบ เอาการกระทําการกระทําบุกเบิกเรียกว่ากรรมศาสนาเกิดขึ้นจากกรรมกรรมคือการกระทําไม่กรร ม, มฐานในเชื่อก็เพราะอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดที่มันเปลืองสมองเจรษาที่จะทําลงไปให้รู้ลงไ ป, Hello, งไปมันไม่หนักมันไม่ยากความรู้มันเบาที่สุดถ้าจะพูดเรืงความลงมันหนักที่สุด แต่ความรู้มันเบาโชว์มาขึ้นก็รู้เยมันสบายมันสะดวกแต่ตัวหลงนี่นก็หลายอย่างสับสนไปหมดถ้าตั้งหลักให้ถูกคิดว่ามันไม่ยากตัวสติตัวนี้จะงอกงามขึ้นการใส่ใจเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบ ต้องมีอริรยบททําไมจึงต้องเคลื่อนไหวมันก็จําเป็นจะต้องเจตนาต้องใส่ใจต้องเคลื่อนต้องไหวให้มันเห็นกายให้มันเห็นกายอยู่เสมอทํำไมเคลื่อนไหวที่มือก็หายใจเข้าหายใจออกแต่ว่าการหายใจเข้าการหายใจออกมันเป็นธรรมชาติ มันหลงง่ายไม่มีเจตนาใครจะลูบหรือไม่ลูบมันก็หายใจของมันอยู่ถ้าเราหลงมันก็ยังหายอยู่หายใจอยู่แต่ว่าการเจตนาการเคลื่อนไหวเนี่ยทําเป็นจังหวะอันนี้ต้องมีเจตนาถ้าหลงมันก็ไม่ถูกแต่บางทีบางทีก็เคยกินนะก็พยายามที่จะใส่ใจมันมีสิ่งที่เคลื่อนไหวให้เห็นอยู่ นี่เรียกว่าเงินช่วยจึงจำเป็นกรรมตัวนี้จึงจำเป็นรู้ไปรู้จะเพิ่งไปยุ่งกับมันต่เพิ่งไปคิดไม่ต้องคิดอะไรสร้างให้มันรู้อย่างเดียวหลงบ้าง ก, ก็ไม่เป็นไรหลงแล้วก็แล้วไปแต่ตัวหลงก็ทำให้เรารู้สึกไม่เสียหายไม่ผิดไม่ทุกข์ ดังว่ามันหลงไปก็ไม่ถูกไม่ผิดถ้าหลงไปเราลูสึกไม่ผิดดีเสียด้วยมันจะมีประสบการณ์มันจะได้บทเรียนความหลงทำํำไมเราได้บทเรียนความผิดทําให้เราได้บทเรียนมันผิดตรงไหนมันหลงตรงไหนรู้แก่เปลี่ยนมันหลงเปลี่ยนเป็นตัวรู้มันผิดเปลี่ยนเป็นตัวรู้มันทุกข์เปลี่ยนเป็นตัวรู้ ตัวรูปตัวเดียวเนี่ยมันไปประกบไปประกับกับอะไรก็ได้ทั้งหมดมันวิธีที่สอนกันอยู่เนี่ยวิธีที่ทาตามพระพุทธองค์ที่ทรงสั่งสอนเนี่ยมันมีคำตอบมันเฉลยไปในตัวขอมมันเลมันมีบทเฉลยไปในตัวขอมมันเล มันจะลูบให้เราเองศึกษาไปทําไปทําไปมันเฉลยไปเองเช่นอพอมันคิดไปรู้สึกกลับขึ้นมารู้สึก ก, กาหนดกายเคลือ่อนไหวมันก็เฉลยไปแล้วความคิดมันก็จบไปแล้วไม่ใช่ไปไม่ต้องว่าคิดหนอคิดหนอก็ไม่ต้องว่าพอรู้สึกความคิดก็จบแล้แล้วเราเดินเนี่ย เดินเน่ยก็ไม่ต้องว่าหนอคำว่าหนอคือให้มันจบคำว่าหนอคือมันจบเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปอันนี้ไม่ต้องว่าก็จบได้เป็นรู้สึกรู้สึกมันก็จบคือตัวรู้มันก็จบแล้วสูงสุดคือตัวรู้สึกถ้าจะพูดถึงกรรมฐานมงกุฎของกรรมฐานก็คือตัวรู้ตัวนี้แต่ว่าหน อ, ค, อคือเพื่อให้ตัวรู้ตัวนี้ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็คือตัวรูดตัวนี้ซายอย่างหนอควายย่างหนอคือตัวรูดตัวนี้เป็นเป็นจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นตัวรูดตัวนี้ไม่ต้องบริกรรมก็ได้คำว่าหนอคือบริกรรมแต่รูดนี่ไม่ต้องบริกรรมเข้าถึงตัวรูกทีเดียวหรือว่าหายใจเข้ากพุทธอันนี้ก็เป็นบริกรรมถ้าหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี้ย ไม่ใช่บริกรรมเขาเรียกว่าภาวนาข้ามบริกรรมไปไปสู่ภาวนาภาวนาคือตัวรู้นี่ยทำตัวรู้ให้มากๆดันวิธีที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นของกิงแต่รู้มากๆมันจะเป็นอย่างไรเราหาคำตอบไม่ได้ตอบกอดไม่ได้มันเป็นต่เมื่อมันเป็นบางทีมันเห็นแล้ว มันเป็นแล้วจึงรู้มีแล้วจึงเห็นอยากเราไปมีศีลอย่างเนี้ยคนที่มีความรู้สึกตัวอยู่เราจะพูดแล้วนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ละความชั่วความรู้สึกตัวมันก็ทำความดีอยู่แล้วความรู้สึกตัวมันก็จิตมันก็บริสุทธิ์อยู่ถ้ามันรู้อยู่นานๆหนึ่งวันสองวันกายมันก็ไม่ได้ไปทำชั่ว วาจาก็ไม่ได้ไปพูดชั่วใจมันก็ไม่ได้ไปคิดชั่วะ่ะรเขาก็เกิดํำรวมในพระปาติโมกในตัวตัวรูตัวเดียวนี่แต่เรียกว่ารักษาสินก็ได้กายก็ไม่ได้ไปทำชั่ววาจาก็ไม่ได้พูดชั่วจิตใจก็ไม่ได้ไปคิดชั่วยิ่งรู้เท่าใดจิตใจก็ยิ่งบริสุทธิ์หลงเท่าใดใจก็ยิ่งตกตก สัมผัสดูดีๆโอ้โหทำตัวนี่เครื่องเดียวรู้ตัวนี่อันเดียวถ้าจะเรียกว่ารักษาศีลก็ได้ถ้าจะเรียกว่าสมาธิก็ได้ถ้าจะเรียกว่าปัญญาก็ได้จะเรียกว่าสิกขาคือถลุงคือย่อยอยู่เสมอก็ได้ตัวรู้ตัวเดียวการที่จะรู้อยู่เสมอเนี่ยไม่ได้คิดมันก็ไม่ได้ไปคิดมันรู้อยู่เสมอ ก็คือการรักษากายวาจาเรียบร้อยการรักษากายวาจาทื่วาศินอยู่แล้วการใส่ใจที่จะลู้อยู่เสมอเรียกว่าสมาธิอยู่แล้วเวลาใดที่มันคิดไปพยายามลู้อยู่เสมอก็เรียกว่าปัญญาลู้จะกลับมาปฏิคือกลับมานักปฏิบัติเราปฏิบัติอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การนั่งหรืออยู่ที่ เดินหรือไม่ใช่ปฏิบัติก็อยู่ที่กลับมารู้อะไรที่มันจะหลงไปพยายามกลับมาน่ะปฏิแล้วถ้ากลับมาลู้นเรีวยกว่าปฏิบัติแล้วบองทีเราคุ้นชิดในลมที่คุ้นชิดเรานั่งอยู่นี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงพระเนจะไปสาลพระนั่งหนึ่งสี่ชั่วโมงเลเรานั่งเลยมันคุ้นชิดไป คุณคิดในเรื่องที่คุณคิดไปเราไม่รู้สึกตัวไม่กลับมาก็ไม่ใช่ทำความเพียรไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติแม้เราจะนั่งอยู่สี่ชั่วโมงก็ไม่ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติถ้าผู้ใดเวลาใดที่มันคุณคิดไปมีสติแม้เราจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่ ก็ชื่อว่าปลาลบความเพี่ยนมันต่างกันตรงนี้แหละปฏิบัติคือรู้รจักกลับมากลับมารู้อะไรที่ทำให้มันหลงไปจากความรู้สึกตัวพยายามกลับมานี่ตัวนี้คือตัวปฏิบัติจะไม่เนิ่นชาจะไม่เสียเวลาถ้าเราทำจุดนี้นะตั้งให้มันได้ตั้งให้มันถูกถ้าตั้งไม่ถูกมันก็สับสนเนิ่นชา โมกมนความคิดอย่างเก่าคิดแล้วคิดอีได้ไม่เห็นก็หลอกเราอยู่ตลอดเวลากวามคิดถูกความคิดหลอกตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติมันจะหลอกได้ไม่กี่ขั้งสีมลอะไรก็คือความคิดที่หน้ามันเลยก็คือตัวคิดอันตัวคิดตัวลกคิดตัวนี่ที่มันลงไปคือตัวสมทุทรไทยคือตัวสังขาร สิ่งที่ทำให้ผิดศีลผิดธรรมก็คือตัวนี้ต้องเห็นมันมันสกปรกตัวลกคิดตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะหมดแห้งไปไม่ใช่มันจะยิ่งใหญ่ตลอดเวลาชีวิตของเราเมื่อเราทำถูกมันก็มีโอกาสที่จะหมดไป บางอย่างเปลี่ยนไปบางอย่างสิ่งที่เคยมีมันหมดไปสิ่งที่ไม่มีมันมีขึ้นมาเช่นความคิดที่รักคิดมันมีโอกาสที่จะหมดไปได้หรืออย่างที่หลวงพ่อพูดว่าความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงโดยพาะตัวหลงเป็นตัวใหญ่เพราะหลงก็จึงทุกข์เพราะหลงก็จึงโกรธ เนี่ยตัวหลงนี่เป็นใหญ่สิ่งที่ปรับกับตัวหลงคือตัวรู้ไม่มีอะไรที่ปรับตัวหลงได้นอกจากตัวรู้สึกตัวอย่าเอาอะไรไปปรับกับตัวหลงไม่ได้จะให้ทานรักษาศีลอะไรก็ไม่ใช่มีตัวรู้ตัวเดียวที่จะไปปรับกับตัวหลงถ้าจะเปรียบเทียบตัวหลงมันตรงกลางเเนี่ยมล้วก็สูงกว่าเขาเหมือนเนื้อมือเนี่ย ถ้าจะเปียบเอาหลงตม้่วันโกรธตั้งมต่วันโลภนะเขาหลงเนี่ยเขาหลงจึงโกรธเขาหลงจึงโลภนะเขาหลงจริงโกรธแล้วก็เห็นน่นนี่น่ะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่เห็นโลภโกรธหลงแต่นี่นะต้นหลงเนี่ยมันอยู่กลางๆพอหลงแล้วก็จริงโกรธพอหลงมันจึงทุกข์พอหลงจริงรักพอหลงจึงชังพอหลงจึงดีใจเสียใจเขาหลง ตัวที่ปรับกับตัวหลงคือตัวรู้ตัวถ้าตัวรู้ตัวนี้เมื่อไม่หลงมันก็ไม่โกรธเมื่อไม่หลงก็ไม่ทุกข์ความหลงต่างหากพาให้เราโกรธความหลงต่างหากพาให้เราทุกข์เ ง, งียกเข้ามยู่ตรงนี้เพราะนั้นการเจริญสติอย่างเดียวนะี่ะพอแล้วสำหรับชีวิตเรามันไม่แช่อย่างเดียว ถ้าจะว่านะตัวรูสึกเนี่ยก็มีความหลุดพ้นอยู่ในตัวมันเองหลวงข้อเคยพูดว่าตัวรูตัวดูเนี่ยเป็นตัวมักมักคือภาวะที่ดูพอดูมันก็เห็นพอเกิดการเห็นมันก็หลุดพ้นเห็นมันคิดตัวพ้นจากความคิดแล้วเห็นมัน หลงก็พ้นจากความหลงแล้วเห็นมันทุกข์ก็พ้นจากความทุกข์แล้ว <c oughs> นยจะไม่เรียกว่ามรรคได้อย่างไงก็ดูอยู่เสมอรมรรคคือดูมรรคคือเห็นพอดูก็เห็นพอเห็นก็พ้นประการดูเนี่ยมันก็มีความหลุดพ้นอยู่ในตัวมันเองเป็นมรรคเป็นนิโรธอยู่ในตัวมันเองนะ ลักษณะเนี่ยลองทำให้สุดฝีมือลองดูสร้างตัวรูปจะเนี้ยไม่ต้องไปอ่านหนังสือตำรับตำราไม่ต้องไปท่องไปจำคาถาอะไรไม่ต้องไปสวดอะไรสร้างตัวรูปอย่างาเดียวเป็นเรื่องที่รีบด่วน้าพจะเพลิอเดลวนกว็ทุกเรื่องตัวรูปตัวนี้ยเอาอันนี้ไปก่อนถ้าทำตัวนี้ได้แล้วเออแต่ว่ายไงก็ได้แลนะมัน ตอนมีหลักแล้วมันได้หลักแปด0มื่นสี่พันเรื่องที่มีอยู่ในกายในใจของเราเนะี่ยกิเลสพันห้าตันหา1 0อยแปดกิเลสพันห้าตันหาร0อยแปดถ้าจะว่าแล้วก็ถ้ามีตัวรู้ตัวเนี่ยมันไม่มากมันจับสายบางเหียนดังที่พูดว่ามีตัวรู้อย่างเดียวก็รักษาสินแล้ว เป็นสิกขาแล้วเป็นใจสิกขาแล้วศินคืออะไรการรักษากายวาจาห้เรียบร้อยชื่อว่าศินการรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาตัวสติมีสติเรากำหนดความรู้สึกตัวอยู่เสมอ น, นี่แหละถ้าเป็นศินก็เป็นสินสิกขา ไม่ใช่สินสมาฐานเป็นสินศิกขารู้มากเท่าไรความบริสุทธิ์ก็ไม่เท่าน้นดังนั้นนะขอให้เราได้พุ่งตรงมาจุดนี้ให้มากๆจะอยู่ที่ไหนก็ตามความรู้ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่นอยู่กับตัวเรากายก็อยู่กับเรา ใจก็อยู่กับเราเวลากายอยู่ที่ไหนมีสติอยู่ที่นั่นใจอยู่ที่ไหนมีสติอยู่ที่นั่นนี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นความรู้เนี่ยก็ไม่ต้องหลอกจากรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีไม่เหมือนธนรรมละเอียด เ, เป็นปัจจุบันของที่เป็นปัจจุบันมันใช่ได้ ให้สร้างลองดูให้ใส่ใจให้รู้ต่อเนื่องลองดูลองทดลองดูจริงๆลองดูสักหนึ่งวันมันจะเป็นยังไงเติมความรู้สึกกับการใช้ชีวิตประจาวันลองดูมันจะเป็นอย่างไรทดลองดูพิสูจน์ดูจะได้คำตอบเอาเองสิ่งเหล่านี้ไม่มีคำถามมีแต่คำตอบ คนอื่นตอบให้ก็ไม่ถูกเราต้องตอบเราเองสัจธรรมไม่ใช่คำถามสัจธรรมมีแต่คำตอบเราตอบเราเองคำสอนของพระเจ้าเป็นปัจจัดตังรู้เ อ, เองเห็นเราเองมีพูดย่อๆลักษณะตัวรู้ตัวนี้จะเกิดการพบ เ, เห็นล้ายอย่างเห็นโลกเห็นนาม เห็นอาการของลูกเห็นอาการของน้ำเห็นธรรมชาติในโลกน้ำมันรวมลวงอยู่ที่ตรงไหนอาการต่างๆมันเที่ยงหรือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเกิดความฉลาดไปในตัวความไม่เที่ยงก็สอนให้เราฉลาดควา ม, มเป็นทุกข์ก็สอนให้เราฉลาดความไม่ใช่ตัวตนก็สอนให้เราฉลาด ความรอบรูปในกองสังขารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัญญาฉลาดเพราเห็นธรรมชาติเห็นนาการของลูกของนามกองของลูกกองของนามเกิดความฉลาดไม่ได้ไปเห็นนั่นเองพระพุองค์ก็เห็นอันนี้เห็นเรื่องของกายของใจหล่อนเองเราก็เคยได้อ่านตํำรับตำลาว่า การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเอวศีลปความรักษาใจมัน่นเทวสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารี่ว่าปัญญาสังขารก็คือเนี่ยกายสังขารจิตตสังขารก็จะนั้นเนไง อ, อ่อนี่แหละเป็นตาดดําราเล่อใหญ่ถ้าจะเปรียบก็เอากายเอาใจเป็นตาํารา เอาสติเป็นนักศึกษาให้สติเข้าไปเห็นเกตนาที่จะสร้างความเห็นให้มีอยู่ตลอดเวลาเห็นกายมันเคลื่อนมันไหวนะี่กายเป็นตาลาเห็นใจที่มันคิดเห็นเราจะไปตามความคิดให้กลับมาดูกายเห็นความคิดบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆเป็นกายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็เกิดความชำเนิ่ชํานานเป็นธรรมดาไม่ว่าสิ่งใดถ้าเราเห็นบ่อยๆว่าคุ้นเคยก็ชํานานในสิ่งนั้นแต่ถ้าเราเห็นข้างหนึง่งสองข้างอาจจะยังไม่ชํานานอย่างหลวงพ่ออย่างนี้ก็ยังหลงทิศหลงทางไม่รู้ว่าทิศเหนือทิศใดต้ตรงไห น, นยังหลงการมาเห็นกายบ่อยๆเห็นความคิดบ่อยๆวันหนึ่งเห็นความคิดกี่ข้างกี่หน เปนกายเคลื่อนไหวสี่ข้างกี่หุนก็เป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติมันจะต่อบเองเราจะนั่นเนี่ยก็พูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้ไม่ได้พูดให้จําพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันทำได้เหมือนกัน ความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นผู้หนุ่มไม่ได้เป็นผู้เท่าผู้แก่ความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายความรู้สึกตัวไม่ได้เป็นนักบวชเป็นครวาสญาิโยไม่ใช่ชาติไม่ใช่ภาษาความรู้สึกตัวไม่ใช่ลทัทธิไม่ใช่นิกายความรู้สึกตัวเหนือทุกอย่างเหนือภาวะที่เป็นทุกอย่างเอ้าไวจไหม คนเดียวเหนือทุกอย่างเารู้สักตัวไปอยู่บ้านก็อยู่กับเรานั่นแหละก็ห้องน้าห้องส้วมจะหลับจะนอนเขารู้อยู่นั่นแหะให้มันแนบสนิทให้มันรู้ต่อเนื่องกันลองดูมันจะเกิดอะไรขึ้นค่อยเฉลยของมันไปเองไม่ต้องสงสัยตัวรู้ตัวเนี้ย ก็ตัวลู่ตัวนี้หลาจะเข้าไปเห็นบุญเห็นบาปตัวลู่ตัวนี้จะไปเห็นสวรรค์นิพพานมันคืออะไรตัวลู่ตัวเนี้ไม่ใช่ดวงตาเน่ไม่ใช่คิดไม่ใช่เหตุผลนี่ยมีศีลก็อันนี้แหละลูกเรื่องบุญเรื่องบาปปิดนรกได้กับตัวลู่ตัวนี้แหละจะได้สวรรค์ก็คือตัวลู่ตัวเนี้จะเข้าไปเห็น ไม่ใช่สวรรค์เป็นอนาคตไม่ใช่นรกเป็นอนาคตนรกก็เกิดการพบเห็นสิ่งใยที่ทำให้เป็นทุกข์ที่จะทำให้เกิดความหลงมันปิดได้แล้วก็โคดวานว่าความหลงควรที่จะมีขั้งสุดท้ายความโกรธควรที่จะมีขั้งสุดท้ายความทุกข์ควรที่จะมีขั้งสุดท้ายนะเป็นปัจจุบัน รับรองไม่ตกนรกรับรองไม่ตกนรกเจ้าคนมีความรู้สึกตัวมันจะตกได้เพราะมันเห็นอยู่สิ่งใะที่เกิดทุกข์มันเห็นอยู่คําว่าทุกข์มันก็ไม่เอาเพราะมันเห็นแล้วมันก็เราเห็นไปเราจะไปจับไปได้ยังไงความรู้สึกตัวเมื่อกมันไปเห็นทุกข์มันก็ไม่เอามันปิด ใ น, นชีวิตเราจะต้องไม่มีภัยวันนี้ดีกว่าชีวิต ท, ที่ไม่มีภัยนีนเรียกว่าอริยะไม่มีภัยเราจะต้องโกรจนตายหรือเราจะต้องทุกข์จนตายเลยไม่ใช่เราจะเกิดมารับใช้มันเกิดมาเพื่ออิสระให้มันสุดท้ายซะชีวิตพระพุทธรองสอนเน่ยไม่ใช่ เรื่องที่ทำไม่ได้ให้ผลได้ปฏิบัติได้พระธรรมของพระเจ้าเป็นสว า, า, นนากาตธรรมยานกาลิกธรรมเป็นโตปัญนายิกธรรมเป็นปัจจัตังให้ผลได้ไม่จำกัดการอันที่เราสวดกองท่าทายอยู่พระท่านก็ รับรองพระพุทธองค์ไม่หลอกเรามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงแต่ถ้าเรามีสติศึกษาในชีวิตของเราศีลก็ศึกษาในชีวิตของเราสมาธิก็มีอยู่ในชีวิตของเราไม่ใช่ไปท่องไปจํารอกมันเห็นมันเห็นศีลก็ช่วยเราจริงๆ สีเลนะสุขติเงนติมีความสุขกับพะอสินจริงๆผมบอกโภมใจองอาจแจวก็วาอยู่เสมอเพราะมันบริสุทธิ์สีเลนะโพคสัมปทาไม่จนไม่จนเรื่องกายเรื่องใจอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่จนมันรู้มันทุกแง่ทุกมูไม่มีสิ่งใดที่หลบซ่อน เรื่องของกายนีนเปิดเผยทั้งหมดเรื่องของใจก็เปิดเผยให้เราลู่ทั้งหมดสีเลระโภก็สำปทานสีเลนันี้ผู้ติงเงติตัวลู่ตัวเนี้มันพาให้เราได้พ้นภยัยอิจฉาภาพไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องไปผมผ้าสีใดเพศใดก็ได้แต่ถ้าเรามีตัวลู่ตัวนี้นะ ให้หลวงพ่อบวชท่านเอก็พอละยมไม่ต้องบวชอไรให้มีสติให้หลวพอลวอละอะไรนะท่นเอก็ไปพบกันก็พู ด, ดานานหน่อยแก้วเดือนอ่าอ่าอ่าแลไม่ต้องกราบหลวงพอ่อแล้วกราบพระพุทธเจ้ากราบพระเจ้าเป็นครูของเราครูของเรา นะก็เห็นว่าสมควรจเวลาก็ด้วยความปรารถนาดีด้วยความตั้งใจดีของพวกเราอของพ่อก็ตั้งใจพูดไม่ได้หลอกลวงญาติโยมพูดของจริงพิสูจน์ลองดูญาติโยมก็พยายามตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติสหรับสนุนส่งเสริมภาษศาสนาด้วยความตั้งใจดีของเราทั้งสองฝ่ายและก็สนทุนนี้จงเป็นธรรมะเป็นเทชะคำจนหนุอมส่ง ให้ทุกท่านจงได้เข้าถึงสัจธรรมคือธรรมเบื้องสูงภาวะความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจงได้ประสบพบเห็นในปัจจุบันชาตินี้โดยการทุกท่านทุกคนเถิด